อยู่ร่วมบ้านกับหญิงอื่นแล้วทรมานใจถามต้องอยู่ร่วมบ้านกับผู้หญิงที่ผมไม่ควรไปมีใจให้เกิดความกำนัดยินดีในรูปร่างหน้าตาของเธอเกือบทุกครั้งที่เห็นรู้สึกผิดบาปและทรมานใจมากครับพยายามหักห้ามใจไม่ให้คิดแต่กายมันก็เหมือนจะบังคับให้คิดอยู่ร่ำไปแถมบางทีเหมือนจะเข้าข้างตัวเองว่าเขามีท่าทางบางอย่างให้ผมเสียด้วย ใจเลย ว, ว, วูบวูบบวบบ่อยๆ อ, อย่างนี้ถือว่าสินข้อสามของผมด่างพร้อยด้วยมโนกรรมหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยคิดล่วงเกินเธอจริงๆ จ, จังๆเลยนะครับกลัวเพียงว่าถ้าวันหนึ่งผมทนไม่ได้ขึ้นมาจะมีข้ออ้างว่าสถานการณ์บังคับมาช่วยแบ่งเบาบาปกรรมบ้างไหมในเมื่อใจไม่ได้อยากไว้ก่อนกับทั้งถือได้ว่าพยายามหักห้ามตนเองแล้ว น้องเมียน้องสะพ้ยพี่เมียพี่สะพ้ยที่อยู่ร่วมบ้านนั้นเป็นคนนอกครอบครัวเป็นหญิงแปลกหน้านอกบ้านมาก่อนเมื่อมาอยู่ในบ้านมาอยู่ใกล้ชิดกันมาเห็นรูปร่างหน้าตากันบ่อยๆก็ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้เป็นธรรมดาครับไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรียุคเรานั้นแทบไม่เหลืออะไรให้ใช้จินตนาการแล้ว พื้นที่ของเนื้อหนังส่วนใหญ่เกือบเปิดออกหมดถ้าอยู่นอกบ้านก็อาจจะยั่วตาให้มองนานแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยคงมากกว่าการยั่วตาไปอีกหลายขุมขอให้พิจารณาว่าเป็นธรรมชาติที่ผู้ชายจะเกิดอารมณ์เพศเมื่อเห็นเนื้อหนังมังสาของผู้หญิงพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดอารมณ์เพศจากการมองตรงนั้น ยังไม่ใช่บาปผิดข้อที่ว่าด้วยการเมรุมิจฉาจารย์ทําความสําคัญไว้ในใจอย่างนี้นะครับคุณจะบาปเมื่อเริ่มคิดเอาจริงนับแต่จงใจแต่เนื้อต้องตัวหญิงที่มีเจ้าของด้วยความกําหนัดยินดีมีความเป็นไปในทางกามารมณ์พูดง่ายๆว่าถ้าคุณนอนอยู่บนเตียงหรือยืนในห้องน้ํานึกถึงเธอไปต่างๆนานาเพื่อให้ถึงเป้าหมายเป็นส่วนตัวตามลําพัง อย่างนั้นยังไม่เข้าข่ายการเมสุมิชฉาจารย์แต่ทันทีที่คุณวางแผนว่าคืนนี้เดี๋ยวเธออยู่คนเดียวแล้วจะย่องไปจัดการอย่างนี้ต่อให้คุณนั่งทางานในออฟฟิศห่างจากตัวจริงของเธอเป็นร้อยกิโลเมตรก็ได้ชื่อว่าคุณเริ่มมีมโนกรรมอันเป็นไปในทางการเมสุมิจฉาจารแล้วการที่คุณยืนยันว่าไม่เคยคิดล่วงเกินเธอจริงจริงจังๆ ก็ต้องว่ายังไม่เข้าข่ายผิดศีลครับแต่อย่าเพิ่งช่าหรือสบายใจคิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะก่อนเริ่มวางแผนลงมือจริงใครๆก็ต้องเริ่มต้นจากการคิดเล่นเรื่อยเปื่อยนี่เองอบายจะทอดสภาให้คุณยาวขึ้นเรื่อยๆจนถึงฝั่งจนได้เพียงเพราะเผลอปล่อยใจให้คิดเล่นไปคิดเล่นมานี่แหละวันดีคืนดีศบโอกาสเหมาะเมื่อไหร่ ในที่สุดก็หน้ามืดกระทันหันแล้วก็มองหน้ากันไม่ติดบ้านเริ่มกลายเป็นนรกอันเกิดจากเรื่องบาดใจขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นการไม่คิดเลยหักห้าแม้เพียงในระดับของจินตนาภาพก็นับว่าลดอัตราเสี่ยงลงได้มากครับผู้รอดพ้นจากทางอบายคือผู้ที่ตั้งใจไว้แน่วแน่ ว, ว่าจะไม่หันหน้าเข้าหาประตูแห่งอบาย นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราต้องตั้งใจรักษาศีลคิดตั้งเจตนาไว้ล่วงหน้าว่าจะเลือกแต่สีขาวสีดำไม่เอาเพราะเมื่อถึงเวลาจะมีแรงห้ามที่อยู่เหนืออำนาจฝ่ายตำ่ำผิดกับคนไม่ตั้งใจไว้ล่วงหน้าเสียก่อนพอฉุกเจินขึ้นมาก็มักไหลลงสู่การประพฤติอันเป็นความชิบหายทั้งปัจจุบันและอนาคต พอเกิดมาปุ๊บพวกเราก็เหมือนตกอยู huh. <Hang S 1> mm ่ในเกมต้องห้ามจะปฏิเสธขอไม่เล่นก็ไม่ได้เราต้องเจอสถานการณ์ควรหักห้ามใจหลายต่อหลายครั้งเหตุผลที่จะหักห้ามของแต่ละคนนั่นแหละเป็นตัวตัดสินว่าใครสามารถหักห้ามได้สำเร็จหรือล้มเหลวเหตุผลที่ผมคิดว่าดีที่สุดซึ่งทุกคนควรมีให้กับตัวเอง คือถ้าเรายอมตามแรงดึงดูดของกามจิตวิญญาณเราจะตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะกามเป็นสิ่งมีแรงดึงดูดให้เราลงต่ำทำนองเดียวกับแรงดึงดูดโลกที่ถ้าเราไม่มีพื้นยืนมั่นคงพอก็คงตกร่วงลงไปเรื่อยๆสำหรับพื้นยืนที่ดีที่จะทำให้เราไม่ตกต่ำตามแรงดึงดูดของกามก็ได้แก่ศรัทธานในกรรมวิบาก ความตั้งใจรักษาศีลนั่นคือทำไว้ในใจว่ากระทําเหตุดีย่อมได้รับผลดีกระทําเหตุเลวย่อมได้รับผลเลวถ้าฉลาดและรักตัวเองก็ควรมุ่งมั่นแต่กระทําเหตุดีโดยเริ่มจากเจตนางดเว้นการประพฤติผิดทางการมอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ยั่วยวนหรือควรสมยอมขนาดไหน เมื่อคุณสามารถรักษาความตั้งใจอันดีไว้ได้ก็เท่ากับคุณรักษาจิตสำนึกระดับมนุษย์ไว้หมายความว่าจิตคุณจะฉลาดเรื่องทำคุณทำโทษให้ตนเองโดยเริ่มจากการมีเหตุผลขั้นพื้นฐานแบบมนุษย์ที่จะไม่ทำเรื่องบาดใจโดยชิงลูกเขาเมียใครมาเสพสุขมโนธรรมของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยและกระสิบบอกคุณได้ชัดเจนขึ้นเรื่อย ว่านั่นควรนี่ไม่ควรกระทั่งระดับจิตของคุณถูกยกสูงขึ้นคู่ควรกับพบที่เหนือมนุษย์นั่นแหละครับการตกรางวัลของธรรมชาติหลังจากกายนี้แตกทำลายลงคุณจะได้เสพกามอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดสุ ข, ขุมกว่ากามอันหยาบในโลกนี้และไม่ต้องระเห็ดไปเสพผัสสะอันทรมานในนรก นอกจากการใช้ขันติแล้วก็ควรหมั่นพิจารณาเรื่องกรรมวิบากให้มากๆและครอบคลุมให้ทั่วถึงเพราะการรักษาสินครบทุกข้อด้วยความเข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปเห็นประโยชน์เห็นโทษแจ่มชัดนั้นจะเหมือนเสริมแรงพยุงซึ่งกันและกันหากเอาแต่หักห้ามหรือพิจารณาโทษทางการมข้อเดียวบางทีอาจไม่เพียงพอ คุณจะเหมือนโดนราคะสร้างอีกภาคหนึ่งขึ้นมาข้างในคอยตะโกนด่าทอทำนองว่าหน้าโง่อยู่ทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ทำกันเป็นปกติแล้วจะบังคับให้คุณเมินเมินไม่ยอมรับรู้ว่าเพราะคนทำกันเป็นปกตินั่นแหละถึงได้ฆ่ากันตายด้วยเรื่องชู้สาวมากเกินปกติขึ้นทุกทีมีทุกวันนะครับแต่หนังสือพิมพ์เขาเอามาลงทั้งหมดไม่ไหวจะเอามาทีต้องคดีโห ด, หด หรือเป็นบุคคลที่มีแรงดึงดูดสังคมให้สนใจได้มากหน่อยขอให้พิจารณาว่ามนุษย์นั้นเมื่อประพฤต์อะไรซ้ำๆก็จะเกิดความเคยชินเป็นธรรมดาและสำหรับกรณีของคุณถ้าประพฤต์ในระดับความคิดซ้ำๆว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาในที่สุดคุณจะไม่ต้องกัดฟันทนฝืนอีกต่อไปเพราะพอชินมากเข้า ใจคุณจะชิงเมินซะ ก, ก่อนที่ไฟราคะจะก่อตัวชดช่วงจัจวานขึ้นมาครับ